أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. س ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. و ل ا ع د م ا ن إ ل ا ع ل ى ا ل ر ا ل م ي ن و ص ل ي و س ص ل ي وألا أشرف الأولين والآخرين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ในสุรอดลมาอิดะนะครับอายา41เราได้อธิบายที่ไปที่มาของอายานี source, ้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ลงโทษแก่ผู้กระทาผิดประเวณีตั้งแต่คำพีเตอร์ และเกิดเหตุการณ์ที่เมืองมาดีนะซึ่งชาวยิวที่ไม่ประสงค์ที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติในเตรารอที่มีให้ลงโทษผู้ผิดประเวณีคือผู้ที่ทำสินาด้วยกวาด้วยการคว้างด้วยหินนั้นจึงให้ท่านนาบีสุลตาลอหวอะยู่อัลสลัมเป็นผู้ตัดสินนบีก็ได้ตัดสินตามพระบัญชาของลอสุภาโนวตาละที่มี ตั้งแต่คำบีตัวร้อนยังถึง <c oughs> ยังถึงคำวีอัลกุรอานลงนิดซึ่งมีความสอดคล้องกันและอาการที่เกิดกับชาวยิวคืออาการที่ไม่พอใจไม่สบายใจ จึงมาเป็นเนื้อหาที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในไอแอนเนียรซีซีแล้วกลายเป็นบทเรียนสําหรับผู้ศรัทธาที่ตั้งใจเผยแพร่หลักการขอลล็อกรวมถึงบทบะเอียดต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องบทลงโทษเพราะด้วยการกระทําความผิดต่างๆ ใครที่ตั้งใจเผยแพร่ห ล, กลักการของเราตรงนี้มันจะมีกระแสมีความรู้สึกมีอะไรต่อไม่อะไรนี่เป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นสมัยท่านนาบีสามารถนํามาทบทวนเรียนพี่น้องว่าเป็นเรื่องแปลกนะว่าอธิบายอายะห์แต่ละครั้งเนี่ยมันจะมาเหมาะเจาะกับสถานการณ์ไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจไนะม่เหมาะเจาะเลย เดี๋ยวจะมีเรื่องนี้เป๊ะเลยเอเลยนั่เป็นบทเรียนที่ใกล้ตัวมากกับสังคมมุสลิมกับสถานการณ์ในโลกมุสลิมแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครพูดปรากฏว่ามันจะเจอในในอาญาที่ถึบอกว่าทุกคนนะครับที่ตั้งใจศึกษาคูดอ่านไม่จะเป็นต้องมาวันอังคารนะ <laughs> ตั้งใจศึกษากูดอ่านจะมาศึกษาเอง จะจะเจอคำตอบจะเจอทางนำจะรู้สึกในความใกล้ชิดของอัลลอฮซุห์านะวะตะที่พระองค์นั้นได้บอกว่าในคุรานมฟรัตนาฟิลกิตบมิเเราไม่ได้ปล่อยปะละเลยอะไรเลยในคำพีนี้เนี่ยอันที่จะเป็นคำอธิบายเป็นคำตอบ <c oughs> คำนี้มันไม่ใช่คำพูดของผม คนเดียวนะครับที่ว่าจะเจอคําตอบในคำภีเนี่ยคนหลายคนนะครับที่มุ่งมั่นศึกษาพุทานก็จะพบเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่รับอิสลมมามใหม่แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีข้อสงสัยเยอะคนที่มีคําถามเยอะหาคําถามตลอดชีวิตหาคําตอบตลอดชีวิตนี่ไม่เจอแล้วก็มาเจอ มาเจอในกุทาะถึงขั้นที่พี่น้องบางคนเนี่ยที่รับอิสลามใหม่เขาบอกว่าบางทีเนี่ยเปิดเปิดนี่เจอเลยไม่รู้เขาเว่อร์บั๊กแต่เขาพูดจริงเกยเปิดแล้วเจอเลยเจอในสิ่งที่เขาหาในเปิดแล้วเจอเลยซึ่งความเป็นไปได้นะอันนี้ผมเจอบางครั้งเนี่ยเจอนะบางครั้งแต่ไม่ชีดตลอดนะ แต่พี่น้องบางคนบอกว่าทุกครั้งที่มีปัญหาเนเปิดแล้วเจอคะแนนกันแล้วแต่เขารับไปแต่ที่ผมเจอจริงๆนะบางครั้งบางคราวเนี่ยกำลังหาคืออายานี่ยจำได้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งจำไม่ได้เปิดแล้วเจอที่อันนี้บ่อยครั้งอันนี้จริงเจอ คืออยากจะรู้ว well ่าอายานี้ส really ่วนว่าส่วนมากนะที่จะสับสนเนี่ยเวลาต้องจาอัลลอฮฺก็ฟุรราะฮิมอัลลออาซีซุนฮะกิมกลงมันก็ฟุร์ราะฮมเลอาซุฮะกมเนี่อความจาเสียเปิดน้าเจอเลยเจออายที่เราต้องการเยบางทีถ้ากุดอ่านเล่มใหม่นะเอาหมไม่ได้เอากุดอ่านที่เราใช้ที่เราชินนะกุอ่านเล่มอื่นก็เปิดก็เจอเหมือนกันเป็นเป็นสิ่งที่เรา Allah แน no, er e, e ่นอนนะครับ Allah ตักดีรวยเลย Allah กำหนดไว้แล้วเป็นเอกลักษณ์ขอัลกุรอานอัลกุรอานนี่เป si, si, ็นเป็นเป็นสาระนุกรมใกล้ตัวติดตัวเราอนี้อายะห์41เนี่ยเราได้อธิบายไปขึ้นหนึ่งเอามาทบทวนนิดนึงแล้วก็อธิบายต่อล l l a h ตักไว้ว่า Allahu b i l l a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 วะ ن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن ي ط ه ر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ا و رسول oh, يا أيها الرسول رسول เจงให้เป็นที่เสียใจแก่เจ้าอย่าให้ ที่เสียใจแกเจ้าซึ่งบรรดาผู้ที่รีบเร่งกันในการปฏิเสธศรัทธาอัลลอนีนยุสริ عون ในลูกฝรียุาริ عون มีมีคมละเอียดอ่อนนิดนึงเนี่ยดที่บายเท่าที่นยุริ عون นี่เป็นกริรียนก็เรียกมุดาริยการปัจจุบันมัน มันบ่งถึงพฤติกรรมในขณะนั้นในขณะที่เขาทํากันเน่ยพวกผู้ศรัทธาจะยุสัยอูนรีบเรึ่งกันแต่ a l า a h ใช้ว่าฟ i l l k u f r รีบเร่งกันฟีในในการปฏิเสธศรัทธาเขารีบร่งในการ ปฏิเสธศรัทธาการปฏิเสธศรัทธานี่อธิบายคำว่าอลกุฟร์ไปว่าเขารียเร่งในการกระทําแห่งการปฏิเสธศรัทธาแต่ความหมายนี่มันมีลึกกว่านี้เขารียบร่งในการที่จะไปอยู่ฟี่ฟี่เนี่ยอยู่คอนาคซอรฟิยาเนี่ยไปว่า มันเป็นมันเป็นตัวประกอบนะในนี่อาจจะอธิบายในนี่แปลว่าบนบนหนทางบนการกระทาแห่งการไปสัตว์แต่ไม่ใช่นี่มันมีอีกในัยหนึ่งที่มันลึกซึ้งกว่าเขารีบร่งในกูฟรรี่บร่งในไปอยู่ในไปอยู่ข้างในแ ล, แล้วมันมันซึ้งตรงไหนอ่ะมันซึ้งที่ว่า คนไม่ชอบไปอยู่ข้างในที่ไหนนี่นอกจากว่ากว่าเขาชอบอะ่ะอยากไปเหลือเกินน่ะคือรีบร่งนี่มันก็สื่อแล้วแต่นี่ฟิลกูฟรีในรีบรีบอยากจะอยากจะไปอยู่ข้างในกูฟอแค่ไปอยู่รอบๆ ร, ริมๆนี่มันก็กูฟอแล้วมันก็แย่แล้วนี่จะไปอยู่ข้างในไปความหมาย ของบรรดาเขาเรียกคำประกอบที่ภาษาเราเก็เรียกว่าอัุรูฟคำประกอบที่จะใช้ในการสื่อถึงเวลาและสถานที่อันเนี้ยสื่อถึงสถานที่ฟี่ใน <c oughs> นี่มีปินียโทมีบิเนียเอกพูดย้ำย น, นโดยเฉพาะเลยพอสามารถใช้คำว่าอิละยุซาริอุนอิละละกุฟ รีบเร่งสู่ฮะเพราะคำว่ารีบเร่งนี่มันเป็นการิยาการิยาเกี่ยวกับการขยายระยะทางรีบเร่งก็คือจะเดินหรือจะวิ่งระหว่างจุดนี้ถึงจุดนี้จะรีบเร่งรีบมันเป็นการิยาของคนที่กําลังมีปฏิการิยาหรือมีมีการกระทําอยู่ มันก็สามารถใช้ตัวประกอบอื่นเช่นรีบเร่งสู่การกูฟตแต่ใช้คำว่าฟีเนี่ยมันก็จะมีความาลึกซึ่งในความเลื่อมใสของคนเหล่านี้ในเรื่องกูฟตททางด้งดีเขาเป็นมุนาฟิกเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลเพียงพอ ที่ใจปอบใจน บ, บีว่าน บ, บีอยเสียใจเลยพวกนี้มันรีบเรึ่งอยากจะไปอยู่ในกูฟอนีน บ, บีไปเสียใจกับพวกนี้ทำไมพวกนี้มันแย่ขนาดนั้นนะมาโอ้น บ, บีของเราอย่าไปเปลืองความรู้สึกของเจ้ากับคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้มันมีคนที่รีบเรึ่งไปสู่กูฟอดเลอนะ แต่บางทีก็เกิดจากความเขาความงูเขา่ามีคนที่รับอิสลามแล้วก็พอไม่ไม่ได้ความสุขสบายอนะไรนก็ออกคนเหล่านี้ก็มีลักษณะเป็นกาฟิซอะนะเป็นผู้ปฏิสัทธาแต่ไม่มีลักษณะเป็นมูนาฟิกที่มันแปลกก็ไอ้พวกมูนาฟิกเนี่ย ก็คือเขายัางยืยนยันนะว่าเขาเป็นมุสลิมปะอามันนะมินั่นละดีนะกลูกอามันนะจากบรรดาผู้ที่กล่าวด้วยปากเนี่ยเ บ, ยบี้ยวเฟยเขากล่าวอามันนะเราศรัทธาแล้วไอ้คนนี้ปฏิเสธ น, นะรีบเร่งไปสู่การกุฟฟตเนี่ยเขาพูดนะว่าเรากัฟรนะเราปฏิเสธเราไม่เอาแล้วแต่จะทํายังไงกับคนนี้ เอาเอาอิสลามแต่ข้างในเนี่ยไม่เอาเลย a l ลห h บอกว่าพวกนี้ไม่ไปเสียใจกับพวกมันเลยในการบริษัทธาจากมือผู้ที่กล่าวด้วยปากของของพวกเขาว่าพวกเราศรัทธาแล้วโดยที่หัวใจของพวกเขานิ่ได้ศรัทธาความห่างระหว่างปากกับหัวใจเป็นเรื่องที่น่าศึกษา กูอ่านจริงเอามาใช้เอามาใช้เป็นสำนวนเลยนะแต่มันบนะีอฟวร์ฮิมเขาพูดด้วยปากแต่หัวใจนี่คนละเรื่องเอและในมนุษย์มนุษย์เราเนี่ระหวังอวัยวะต่างๆนี่มันจะมีความห่างไกลกันขนาดนั้นขนาดนั้นใช่ไหมปากพูดอย่างหัวใจอีกอย่างสำนวนสุภาษิตไทย บางอย่าง อ, าอะไรนะปะอะไรแล้วก็อะไรขยิบนะปากปา ก, ปากว่าตาขยิบอันนี้อันนี้มผมว่ายิ่งแล้วเลยนะทําเป็นปะทําเป็นปะปากว่าตาขยันนเลยเนปะ่ปาตาขยิบทําเป็นปะยากนะอืแต่อันเดียวกันนั่นแหละหัวใจนี่ทําได้เพราะไม่มีใครเห็น บอกเขาว่ารักแต่หัวใจเราเนี่เกลียดเกลียดสุดๆไม่อยากเห็นขีหน้ามาันโอ้โหนี่ผมเห็นทั้งนี่ผมผมดีใจมากเลยแต่ข้างในนี่แช่งทําทำไมเพราะไม่มีใครมองเห็นไม่มไม่มีใครมองเห็ น, หนพฤติกรรมเหล่านี้ เ, เป็นพฤติกรรมที่อิสลามที่อิสลามเอามาประนามเยอะแยในคุรานทำไม ย่าลืมานาในทํานองเดียวกันว่าบาคาร่าอะไรมรอนนิซาไม่ได้เป็นซุร้แรกแรกนะที่ถูกไม่ใช่บาคาร่าอะไรมรอนิสาเป็นซุร้อนแรกแรกที่ถูกประทาน ล, ลงมามาดีนะและไมะ่ได้ล่ะสุดท้ายระหว่างซุร้อนแรกแรกกับซุร้อนสุดท้ายเนี่ยพูดถึงพูดถึงเรื่องกูฟอรเรื่องกาฟิรินและพูดถึงเรื่องมุนาฟิกบ่อยครั้งเพราะ อย่างที่เราบอกว่ามันเป็นการก่อตั้งสังคมใหม่ไอิสลามต้องการก่อตั้งสังคมที่มีพวกมุนาฟิกน้อยที่สุดจึงต้องประนามพิติกรรมเหล่านี้เนี่ยให้ให้ลดให้มากที่สุดไม่ใช่พวกนี้อย่างเดียวที่สร้างความเดือดร้อนมันยังมีผู้ปฏิเสธอีกชนิดหนึ่งและจากมู่และจากหมู่ผู้ที่เป็นยิวด้วยว่ามิลาลีนฮะตู <c oughs> ห่าอฮาดูคดีอาพอเราไม่ฟิลาฟกันว่ามันมีรักศั์ในภายาันสะอาดไหมในสุรษอัลลอฮ์มีอยู่อายาหนึ่งที่อัเล่าถึงบรรดายวที่เคยกระทำความผิดแล้วเขาตัวก็รูอินเนหุดเนาอีเลเราหุดเนาหุดเนาหุดเนาก็คือฮาดูคดาคือเราเรายวแล้วนะ เรายิวแล้วนะแต่อิวนี่เขาบอกอธิบายยังไงอ่ะแรกศัพท์เนี่ย <c oughs> รากศัพท์ในภาษาเราเขาบอกว่ามีที่ไปที่มาถ้าฮาดูรือฮุตนาะไปว่าเราจางนะไปว่ากลับแล้วคือกลับได้กลับตัวแล้วมีที่ไปที่มาแต่มีบางคนบอกว่าไม่ใช่ฮาดูรือฮุตนาะเนี่คือเราขอแสดงความเป็นยาฮุตกันแท้จริงแล้วทําไมอ่ะอ่าเพราะ ขอยาฮูดเป็นชื่อของเชื้อชาติบรุอิสราเอลที่อ้างถึงยาฮูดายาฮูดานี่ก็คือชื่อของต้นตระกูลของบอรุอิสราอลนี่ก็คือคอใครเออยต้นตระกูลบรุ อ, ร อ, อิสราเอลใครใคอิสราเอลไง من ت ي ا ط و م ي ا ا ن النبي محمد بن عبد الله، قوشيه ل ي <تصفيق> يعقوب ن ع مي؟ يعقوب أنا؟ يعقوب؟ يعقوب يعقوب مي شو إسرائيل؟ ل كم ي شو يعقوز؟ ชื่อของเชื้อชาติทั้งหมดนี่นะครับขึ้นอยู่กับนบีเขาก็ยังรักษาไว้ยาฮูเขาปักหลักนี่ยาฮูเราเป็นยาฮูเราเป็นยิวคืออ้างถึงยาฮูแต่ก็คือยาฮูชื่อประเทศอะไรสราฐอเมรก็คนเดียวกันดูดูเขาเลื่อมใสกันนะมีมาโลกมุสลิมเนี่ยประเทศชื่อนบี ประเชื่อมุฮัมมัดยังไมีแม้แต่ดีนะเราภูมิใจว่าเราไม่ได้ถูกเรียกว่าพวกมุฮัมมัดดียิ่งภูมิใจฮุวาสัมมาคุมุลมุสลิมอัลลอฮฺอัลลอฮฺให้ชายาให้ชญิงเรามุสลิมีนเราจึงภูมิใจ ในฉายาในชื่อที่อร่อยกันมุสลิมินทำไมอะ่ะเพราะมุสลิมอย่างเดียวในโลกนี้ในโลกใบนี้ที่ท ไ, มไม่ขึ้นอยู่กับนนะบีคนหนึ่งคนใดศรัทธานบีทุกคนมุสลิมอยงเียมียิวก็มีพฤติกรรมแย่ยงพวกมุนาฟิกก็คือปกปิดในหัวใจและเปิดเผยอะไรบางอย่างด้วยปากแล้วมีพฤติกรรมอย่างอื่นของมุนาฟิกีนและยิวด้วยนะ สัมมา عون เหล่าเดกท่สมนอ ع ่าคอรีน ين, โดยที่พวกเขาชอบฟังคำุาูาคำพูดโกหกคำพูดที่เป็นเท็จสัมมา عون เห่าคนอร่นละไมตตัวพวกเขาชอบฟังเพื่อพวกอื่นที่ไม่ได้มุ่งมาหาเจ้าก็คือเอาเบาะแสไปบอกมาฟังนบีเนี่ยจะได้เอาคำพูดของนบีเนี่ย เลาให้คนอื่นอ่านอับุลเียร์ว่าไงจะได้หาเรื่องจะปิดเขาก็ไม่ได้มาฟังเพื่อได้ประโยชน์ไม่ได้มาสดับฟังคุรานหรือฮะดีสเพื่อขัดเกลวแต่มานั่งฟังเพื่อจะผิดมานั่งฟังเพื่อหาช่องโวมานั่งฟังเพื่อหาข้อตําหนินะจะได้ตําหนิศาสนาตําหนิท่านนับดุลเบียรูน ال ال ัลกัลีมบ้างดีมัวดิ้ง พวกเขาบิดเบือนบรรดาถ้อยคำอัลกลิมถ้อยคำหมายถึงว่าอัลกุรอานคำสั่งสอนอักุรอานมิมบาดิมวัดฮบิดเบือนบรรดาถ้อยคำจากที่มันถูกวางในที่ของมันกุรอานถูกประทานลงมาเอาเรื่องนี้สั่งไว้เรื่องนี้ก็ให้ปฏิบัติตามนี้ ใครผิดตระเวณีทำซินาก็มีคําสั่งมาอาลงโทษก็ต้องเอาอายะเนี่ยมาใช้กับนี่น ะ, ะแล้วบอกว่าคนที่มีครอบครัวแล้วก็ไปทําซีนานี่ควา่างด้วยหินมีคําสั่งมาอาก็ต้องไปปฏิบัติอย่างนี้แล้วคนที่ไม่มีครอบครัวละ่ะไอเคียนไอเคียนนี่เขาเอาไ อ, าอาเคียนนี่นะมาใส่ กับคนที่ทําซิน่าแล้วมีครอบครัวนีบิดเบือนจากที่ที่มันถูกวางไว้เครื่อนี่มันถูกวางไว้สําหรับที่ไม่มีครอบครัวแต่ที่มีครอบครัวนี่ให้เครียดให้ให้กว้างด้วยหินเขาไม่เอามาใช่นี่แะ حرفون الكلمة เปนบาดีมาวเบอีและยังเล่นเกมกับนบีด้วยเขาอยากจะบิดเบือนแต่รู้ว่าอัลลอฮ์จะตําหนิ แลรู้ลึกๆเนี่ยวนานบีมุฮัมมัดเป็นนบีส่งคนไปถามนาบีมุฮัมมัดนสิว่าตกลงคำดำรัดของอ AH ัลลอ์นี่คนที่ทำจิน่าโดยมีครอบครัวนี่ลงโทษยังไงเขาบอกว่าถ้านาบีบอกว่าถ้านาบีบอกว่าให้ให้ใหว้างด้วยหินเราก็จะเก็บไว้เพราะมันก็อันเดียวกับ อันเดียวกับที่เรามีแหละไม่มีของไม่ใชของใหม่มันก็อันเดียล้วก็เก็บไว้แล้วท่านาบีบอกว่าเขี้ยนนั่นแหะที่เราชอบที่เราอยากได้เขาแล้วทําไมเนี่ยก็จะได้ไปวันเกียรมากไปไปตอบกับอัลลอฮ์วะก็นนบีสุดท้ายของท่านนีอเลยบอกให้เขียนไง <c oughs> เลือกปฏิบัติไหมเนี่ยสิ่งที่นบีบอกว่าให้ศรัทธานี่ไม่ศรัทธาแต่ที่อยากจะเอาอะไรที่มันผิดหลักการของเขาอะนะ ก็ไปไปรอคำตอบที่ถูกใจเขาถ้าได้อะนะเอามาใช้พฤติกรรมของไทยเนี่ยที่ไปชอบถามนักวิชาการถามมนุษย์นีถามสรพัดเลยพอได้คำตอบนี่แหละครับผมว่าอาจารย์นี่อาจารย์นี่มีความรู้เยอะเลยอะ่ะอาจารย์นี่สุดยอดเนี่พราผมตัวครูคนอื่นเนี่ยตอบไม่ถูกเลยคือไม่ถูกใจ มีบางคนนะ่ยบางอาจนะีพอมาถามอาจารย์อาจารย์แล้วโตคูคนอื่นเขาว่าอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ว่ายังไงคือโตครูที่เขาถูกใจอ่ะนะเขาก็เอามาอ้างอาจารย์ก็จะได้ทบทวนแล้วก็เปลี่ยนทัศน์มาตรงกับอาจารย์ที่เขาถูกใจเขาจะได้ระดมระดมเสียงแล้วก็ได้ได้ปริมาณเสียงเยอะอ่ะนะอาจารย์ว่ายังไงอ่ะโตครูที่เขาว่าอย่างเนี้ อันนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่บังควรนะครับในการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องที่เรารู้ว่ามันมีความขัดแยง้งเอาทัศนะของตังควคุณมาชนกันเอาตัวคุณเนให้ตัควตควุณมาชนกันอ ย, อย่าทำเลยนะครับเราต้องเลื่อมใสกับอิสลามของเราตกลงเรื่องที่มีความขัดแยง้งเราจะใช้ทุกทัศนหะหรอ ยาสามคือเขาบอกกับภรรยานี่ฉันยาเธอสามใช้คำนี้นะยาเธอสามทศนะ ห, หนึ่งบอกว่านับสามคือขาดขาดแล้วนะอยู่กันไม่ได้แล้วพ่านพ้นผ่านผ่านพน้ น, น, พนดดได้หรือไม่หรือไม่ไม่ไม่ได้ภรรยาต้อง ถูกขอไปแต่งงานกับคนอื่นด้วยความสมัครใจแล้วก็อยู่กันด้วยความสมัครใจร่วมหลับนอนด้วยความสมัครใจละยากันด้วยความสมัครใจแ ล, แล้วพ้นอดได้แล้วถึงจะกลับมาขอเขาอีกทีหนึ่งแต่เขายอมก่อนไปถ้าไม่ยอมก็จบอย่าสามโอ้โหจบเลยชีวิตอีกทัศน์นึ่งบอกว่าไม่นับสามนับหนึ่ง ตกลงมันมีสองทัศนะภาพปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอ่นะนะปฏิบัติกันคนละอย่างเลยใช่ปะตกลงเราจะใช้ทั้งสองได้ปะมันต้องอันหนึ่งอันใดอ่ะยิ่เวลาไปถามโต๊คะครัวจะถามหลายคนได้ไหมความเสี่ยงที่โต๊ครูนี่จะตอบกันคนละอย่างนี่มันมีแน่นอนธรมศาสตชาฟีบ้านเราอ่ะนะยาสามนี่ก็คือสามขาดเลย บางคนก็ฉลาดรู้รู้ช่องก็อย่าไปถามตัวครูมาสับชาฟีเดี๋ยวเจอของดีก็ไปถามไปถามพี่น้องอุลามามอุลลานามาลานาพวกพวกประธานอุลามาของประธานนี่ก็ฮานาฟีฮานาฟีนี่ก็นับหนึ่งหรืว่าหนึ่งแต่มีบางคนน่นนะครับ ทังทั้งี่รู้ว่ามันมีหลายทันะถามหลายคนอาจารย์ตกลงมันเท่าไหร่หนึ่งอาจารย์ตกลงเท่าไหร่สและจะเอาอันไหนไปปฏิบัติไม่พอแล้วเนี่ยคือมันมันมันมันเข้าเกณฑ์ทะลึ่งละอาจารย์แต่คนนู้นเขาบอกว่าสองไอ้คนนู้นบอกว่าสามแล้วไปบอกกับคนนู้นไอ้คนนู้นบอกว่าหนึ่งสรุปแล้ว ตัคูที่ท่านไปถามแล้วก็ไปเอาเอ า, เอาแพะชนแกะให้เขาสรนัวกันอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยข้อสรุปสําหรับเราจะปฏิบัติอันไหนกันแน่คนนี่มีเกรงอ่อนนี่เลือกก่อนตัวครูคนไหนที่เขาเชื่อว่อาคนนี้มีความเมียมเกรงต่ออ่อนมีความรู้กว้างกว้างจบเลยนะสิคอเราเลือกตัคูคนนี้ถามจบพอถามแล้วสมมุติโดยเขาบอกว่าสามสมมตินะสามก็จบ ปฏิบัติตามนี้พอไปเจอเพื่อนอีกคนเฮ้ย mm. ทำไมไม่ทำต้องคนนั้นน่ย mm. เขาบอกว่าหนึ่ง mm. เปลี่ยนได้ไหมเขาเปลี mm. ่ยนได้ไหมถ้าเปลี่ยนได้แสดงว่าศาสนาของเราเนี่เป็นเรื่องเกมใช่ไหมเป็น อ, อาหารเอ mm. ah สติกปาพอเห็นคนที่นั่งโต๊นี่ไอสติกเ น, เนื้อนี่มัน ชักจะอร่อยนั้นเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยน <c oughs> นี่เหมือนกันเลยยาสามสามไอ้นนน่าทัน์นนน่นนาจะน่ารักกว่าวมันอย่างนั้นมันเป็นสเต็กละมันเป็นสั่งอาหารแล้วเนี่ย <c oughs> แล้วเราจะเคารพพระบัญชาธรรมายัอุลมา ก, ก็บอกว่าเรื่องคีล่าความขัดแย้งนี่นไม <c oughs> ไม่มีใครมีมัสยิดสังกัดไม่มีนะ ในอิสลามไม่มีคำว่าสังกัดมัจฮับไม่มีสังกัดมัจฮับไม่มีถ้าเราสังกัดอะไรเราสังกัดความถูกต้องของตัวบะทหลักฐานถ้าเราเป็นผู้รู้อราราไวินิจฉัยเองไปหาหลักฐานเองหาให้ได้แล้วก็ช่างอัอนนั้นน่ะที่เอาไปปฏิบัติเอาแล้วถ้าไม่ใช่ผู้รูล้ล่ะแต่ไม่ใช่ผู้รู้นี่เราก็จะหา ผู้รู้เสมือนผู้รู้หาหลักฐานที่มีน้ําหนักมากกว่าได้ยังไงะผู้รู้นี่จะหาหลักฐานที่มีน้ําหนักมากกว่าด้วยความรู้ที่เขามีแต่้เรานี่ไม่มีความรู้เราก็จะหาหาผู้รู้เลือกผู้รู้ตามความรู้ที่เรามีน่ะแตคือคุณสมบัติที่สามารถตรวจสอบได้คัดเลือกผู้รู้ ทีเรารู้ด้วยคุณสมบัติในวันนี้มีน้ำหนักมากกว่านะเอาละอลุ่ามะญว่าอัลมุกลิดคนที่ตักลีดเนี่ยนะคนที่ต้องฟังอาจารย์นะเพราะเขาไม่มีความรู้ที่จะไปเปิดคุณอ่านเองเปิดฮะดิษเองเนี่ยไม่มีความสามารถนี่เขาเรียกกันมุกลิดมุกลิดแปลว่าอะไรแปลว่าเขามอบตัวมอบตัวเหมือนมอบสร้อยที่ใส่สร้อย มาจากกีแลดะกีแลดะเอาสร้ยสยอยใสก็ใสจบคือทําอย่างเดียวใส่ยอย่างเดียวใส่ยอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องวินิจฉัยอะไรแล้ยเพบอกว่าอั ล, ล ม, ม, ม, <hi> มุคลลิดูมัซฮับอูฮูมัซฮับมันยุฟตีมาซาบของเขานี่นะก็คือมาซาบคนที่ฟะตัวให้เขานั่นน่ะคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีสังกัมดมาซาบนะแสดงว่าคนนึงอาจจะมีอาจจะถามคนหลายมาซาบก็ได้ กลงวันยาภรรยาและอยู่ใกล้บ้านมสัสยิดใกล้บ้านนี่ก็มีอุลามะมามศาช اف ีก็ไม่รู้จะถามใครอ่เดนี้เขาต้องช่วยนะก็อาจจะโทรไปก็ได้เข้าเฟซบุ๊กก็ได้ไปถามในอินเทอร์นเน็ตก็ได้สื่อสารนี่มันกว้างขวางแต่แต่ก่อนนู้นน่ยคงไม่ใช่ อ, ะอ่ะช่วงเช้านี่ไปยาภรรยาไปถามอุลมามะใกล้บ้านที่มสัสยิดเนี่ย พราะกัฟาตัวตามมาสับชาปีช่วงเที่ยงนี่นะครับ <generally>, ข <any other language> ึ้นเครื <ổ> ่องไปอีกทวีตหนึんん <noise> ่งไปอีกประเทศหนึ่งไปทําธุรกิจชนิดหนึ่งธุรกิจนี้ตกลงมันฮะลาหรือไม่ฮะลาเอาถามมัสยิดไก่ธนาคารไก่บริษัทอุลามาลถามอุลามาลตกลงเนี่ยงได้บ้าอุลามานี่มาสับฮนาฟีเช้านี่ถามชาปีบ่ายนี่ถามหนาฟีได้ไหมได้ พอเราไม่ไดีบังครับวะถ้าไปแล้วนี่นั่งเครื่องไปคนละประเทศแล้ววะนะแล้วก็มีธุรกรรม ด, ด้านการเงินจะต้องปฏิบัติเอต้องรอรอกลับบ้านกว่าจะเจออุลมามะของเราที่มาจับชาฟีและสังกัดจะได้ถามเขาไม่ไดีบังครับไม่ไดีบังครับเลยแตก่อนนู้นคนก็สะดวกสะดวกถามที่ไหนเนี่ยที่นั่นพราอิสลามนิส และไม่มีการหนูทียไม่มีความเป็นบาดหลวงพวกชียร์นี่เหมือนเหมือนคริสเหมือนยูเลยต้องสังกัดชียร์นีทุกคนจะต้องมีมาร์เจลเป็นอุลามาที่ตนเองต้ตองต้องสังกัดไม่สังกัดเรื่องความรู้อย่างนี้ทุกเรื่องเลยนะทำอะไรก็ต้องเอาฟาตวาของคนคนนี้ จะจ่ายสกาดจ่ายภาษีเนี่ยก็ต้องจ่ายให้คนนี้อย่างบ้านเราเนี่พวกเชียร์นี่แบ่งกันเป็นสองซีกทะเลาะกันนะครับเรื่องการจ่ายสกาดซีกหนึ่งก็จ่ายให้สิสตนีนี่เป็นอุลามาที่อิรักอีกซีกหนึ่งก็จ่ายให้คมเมนี่ไอ้ามนีที่อิหร่านยิงได้สมาชิกเยอะนได Chat, สว่วนของอากาศเยอะไป ilia. ชาวสัจธรรมนี่นะจ่ากาศให้ใครก็ได้ใครก็ได้จ่ายที่ไหนก็ได้ทาไมเพราะเราไม่ได้ไม่ได้ทกิจกรรมนี้กับคนเราทากิจกรรมนี้ในบงอัลลสุบฮานูวตการเชื่อฟังตัวบนหลักฐานนีระหวางรักอัลลไม่ใช่อุลามะ ในสังกัดอุลามานี่อุลามานี่เพียงเป็นสื่อระหว่างเรากับตัวบทหลักฐานฉะนั้นไม่มีอุลามาท่านใดเนี่ยที่จะมีความอภิสิทธิ์มีความพิเศษเหนือกว่าคนอื่นว่าคนนี้นะ่ยที่สามารถอ่านกุณอ่านแล้วเข้าใจคนอื่นไม่เชื่อมันเป็นไปนไม่ได้อุลามาทุกคนที่ผ่านความรู้การศึกษานี่เขาสามารถตอบได้ มนาฟิกีนรยิวนี่ก็บอกบอกว่าท่าบท่านบีตอบว่าเขียนอินอูตีตุมฮาละฟะคซุเอมาเลยแต่ท่านบีสั่งบอกว่าให้กวางในหินไวยลมตูต้วฝาสะดุให้ระวังคือ ค, คือกวางไว้เก็บไว้ไม่ต้องใช้ก็ได้นี่เนี่ยอัลลอฮ์อัลล์ถือว่าเป็นฟิตนะที่ร้ายแรง เป็นบททดสอบที่ร้ายแรงที่ผู้คนทั้งหลายจะประสบในชีวิตแต่นะคือการที่เราเลือกปฏิบัติเล่นเกมกับอัลลอ์อะไรที่ถูกใจเอา้าอะไรที่ไม่ถูกใจปฏิเสธเยี่ยงยฮูเเป็นพฤติกรรมของยะฮูดนะอัลลอ์ยังวิจารณ์บอกว่าว่ายุริดิลลาหูฟิดเนเธอูฟะลังเตมลิกะเลหูมินอัลลอฮิเศีย และจะหากพวกและจะหากพวกท่านกาไม่ใช่และผู้ใดที่อัลลอ์ทรงประสงค์ซึ่งการทดสอบเขาแล้วเจ้าก็ไม่มีสิทธิแต่อย่างใดจากอัลลอ์ที่จะช่วยเหลือเขาได้ผิดนะถ้าอัลลอไปใหใครถูกทดสอบในเรื่องนี้เรื่องเรื่องเชื่อฟังลร ถึงผมจะเตือนตัวผมพี่น้องเสมอนะครับให้เราตรงไปตรงมากับตัวบทหลักานทำได้ไม่ได้นี่ก็เรื่องนี่แต่ใจนี่นะนี่เาว่อานนี้มันใช่เอาละเองทำไมไม่ทำอ่ะก็อ่อนแอกำลังขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์แต่อย่านะ <c oughs> อะไรที่ ถูกใจทาอะไรที่ไม่ถูกใจเฮ้ยไม่ใช่หรอกแต่เรารู้ว่ามันใช่เราเชื่อว่ามันใช่แต่เนื่องจากว่าเราไม่อยากทําหรือทําไม่ได้ไม่ไม่เอาเตรียมปัดไปซึ่งยากยากยคยเล่าพี่น้องฟังคนละมาคนหนึ่งที่อาซาบเป็นหัวหน้าคณะฟตัวในมหาวิทยาลัยอาซาบชื่อชือับดุลลอฮ์อัลมาชัดคนนี้ความรู้อู้ ความแต่เขาเป็นอุลมะที่โกนเขาโกนเขาอายุ7จสิบกว่าปีนะ่ะไปบรรยาที่มหาวิทยาลัายบรรยาที่มหาวิทยาลัายใครรู้ะมหาลัยอาซฮัตนี่แหละ <c oughs> ก็มีนักศึกษาก็ชอบแย่นะ ม, มีคนชอบปรกลองวิชา ภูกรมของการไว้เควานี่ังไงการไว้เค้านี่ยังไงเขาก็บอกกาวาจิพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นวาจิพไม่มีอาการอะไรผิดปกตินี่แสดงว่าอะไรซื่อตรงถึงแม้ว่าตัวเองไม่ปฏิบัติและรู้ว่าจะโดนเล่นงานไอ้วกวกลองวิชานี่รู้ ไม่ทันตอบเลยว่ายิบอ่าคนยกมือเลยแล้วทาไมท่านไม่ไว้อ่ะานเจอบวกนี้แทนที่จะสันเสริญยกย่องความกล้าหาญของเขาอนะนอะคือแค่ตออ่อแบบนี้นี่เราต้องนับถือแล้วอะ่ะใช่ปะ่ะตัวเองไม่ทําแต่กล้าบอกความจริงนี่มันเป็นยังไงควรที่จะอ่ายกย่องหน่อยนี่ใหม่นี่จะเอาให้ให้ขยี้มันเละไปเลย แล้วทำไมท่านไม่ไว้ล่ะเขาก็ตอบว่าท่านถามผู้คุมของอัลลอฮ์ฉันก็ตอบผู้คมขอัลลอฮ์ส่วนฉันปฏิบัติไม่ปฏิบัตินี่เป็นเรื่องผมท่านไม่ได้ประโยชน์หรอกว่าผมปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติแต่ท่านจะได้ประโยชน์ว่าอัลลอฮ์ถามท่านหรือไม่ อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งมุฟตีคนหนึ่งของอียิปต์ไปมาเอาัยไคโรคณะแพทย์เขาก็ถามนักเรียนนักศึกษาแพทย์นั้นถามบุรีฮารามไหมเขาก็ถอบว่าไม่ฮารามมักรูมักรู คือเนี่ยคือเวลาพูดอะไรที่มันมั น, ม, นมันไปตลอดมันนะมันมีสุภาษิตอาบดับเขาบอกว่าให้เดินตามคนโกหกจนถึงประตูบ้านทำไมเพราะโกหกครั้งเดียวอะนะมันจะต้องโกหกตลอดโ ก, กตลอดนี่คนเขาก็รู้ดีที่สุดเนี่ยสำหรับผู้คนทั้งหลายเนี่ยอ ย, อย่าี่ยเริ่มโกเพราะเริ่มโกหกแล้วนี่มันจะต้องแก้แก้ข้อมูล เขาบอกว่าม m a ร r อยังไงอะ m a c r <oughs> อยังไงอะแ้าอย่างคนดีจ่ายตังเล็กน้อยในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนี่มันก็มืบาเซต ฟ, ฟุ่มเฟือยแล้วฟุ่มเฟือยนี่มันหรามเขาก็บอกว่าที่จริงนี่มันก็หรามมาละ่ะสําหรับคนที่ไม่มีตัง คนที่ไม่มีตังค์จะกินเนี่ยแล้วก็ไปสูบุรีนิฮารามแต่คนที่มีตังค์ไม่ฮารามแค่มะกรูปแก่ตัวไงแก่ตัวถ้าไอพวกไอไอพวกรองวิชานี่ถ้าถ้าจี้ไปอีกแน่ น, นะต้องแก้อี ก, อ, กอีกระดับหนึ่งอีกขั้นหนึ่งไม่จบในบอก ถ้าเร า, าประสงค์ที่จะถูกทดสอบหัวใจถูกทดสอบนี่ช่วยเหลือไม่ได้คนที่ไม่ประสงค์ไม่ตั้งใจหลงอะนะน่าสงสารเขาไม่อยากหลงน่าช่วยนะแต่คนนี้อยากหลงคนที่อยากหล ง, หลงไปทางนี้ดิเชื่อผมผมเป็นคนในท้องถิ่นนี่ผมรู้นี่ไปแต่ว่าวทัานไปนี่ ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เขาอยากหลงประมาณนี้แฟนต์จำนีก่กละหูมีนองบ่อหชิชยแสดงว่าคนที่ไม่ประสงค์ที่จะเลื่อมใสกับคำสั่งของอัลกุรอานโดยของท่านนบีสุลต่านฮะลาิยฺสัลลฺบบุคคลเหล่านั้นถูกทดสอบในหัวใจของเขาอย่างร้ายแรง โดยที่ไม่มีใครสามารถช่วยเขาได้นอกจากตัวเขาเองอตั้มดีก็แล้มินังลอดแจกอัลลอ์นี่จะจะไม่มีก็ทำไมอ่ะแฟนนายุติธรรมนะเพราะอะไรอ่ะเพราะเขานี่ไม่หวังดีกับอัลล์แล้วจะให้อัลล์มาหวังดีเับที่อัลลอ์ตรสอบเขานี่ก็อันเนื่องจากว่าเขานี่ไม่ตั้งไม่ไม่ปักหลักกับความจริงไม่ตั้งตัวให้ดีตั้งแต่แรกเลยเนี่ยไม่เอากับอัลล์ เขาเราจะเอากับเขาละ่ะอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ที่จะให้ใครหลงตั้งแต่เริ่มนะคนด้วยหัวใจของเขาเนี่ต้องการฮ idayah เราเราไม่ให้ฮ idayah ยังไม่ให้ไม่มีทุกคนที่ต้องการฮ i d a ะ a h อัลลอฮ์ต้องให้ฮ idayah เพราะฉะเราเนี่ยรู้สึกแฟมากสําหรับโลกใบนี้นะครับใครที่กูฟอรยืนยันในกูฟอรในขณะนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้โอกาสแล้วทุกคนเนี่ยที่จะรับทางนำฮ idayah แต่เขาไม่เอา ถ้าเสียชีวิตในฐานะเป็นกาเฟนนะแฟร์ที่สุดทเทอรสุวรรณอาาล ะ, า ะ, าละให้โอกาสแก่เขาตลอดชีวิตที่จะรับทางนำแต่เขายืนยันประสงค์ว่าไม่เอาหลักฐานนะโอ้มีเยอะเลยให้เห็นว่าในโลกนี้เนี่ยผู้ปฏิเสธทานะที่ศึกษาที่ประสงค์จะได้ทางนำมานะเขาได้ เพียงว่าเขาแก้สแสดงความประสงค์ต่อ a l ล่ออาม่าเอามาเลยไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะตั้งใจรับฮิดาญ์เปิดอกเปิดหัวใจนี่แล้ว a l l a จะเชิญชวนอย่า ง, างรวดเร็วแต่ที่อันตรายมากกว่านั้นหัวใจของคนเหล่านี้ที่มันมีอย่างหนึ่งแล้วปากก็มีอย่างหนึ่ง มันมีความโศกโรกของมันที่ทำให้เขามีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยแต่อัลลอฮ์สุฮาหนะอวดาลมาแฉมาเปิดเผยสาเหตุที่เขาเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะอัลลอ์จัดการหัวใจแบบนี้เนี่ยอัลลอ์จึงบอกว่าชนเหล่านี้แหละอูลาอกกาชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่อัลลอ์ไม่ทรงประสรงค์ให้หัวใจของพวกเขาสะอาด ทานไม่ يريد ا อ ل ه أَيُّ تَهْكِيرَ ق ُ ل ُ و อَ ه ُ أ َ ن ِّง ت َ ن ْ خ ُหัวใจสะอาดหัวใจที่ไม่สะอาดที่น้องลองนะเดี๋ยวผมจะบรรยายนิดหนึ่งขยายความนิดหนึงนน่งจะลองนะคืนนี้หรือพรุ่งนี้หรือว่าอะไรก็ได้ที่ต้นสะดวกเอาเรื่องนี้ไปคิดและพยายามขยาย ความหมายของคําว่าหัวใจสะอาดกับหัวใจที่ไม่สะอาดเราใช้บ่อยนะคําเนี้ยหัวใจคนนิสัยอือไม่สะอาดแต่พี่น้องลองนั่งกับตัวเองแล้วก็คิดแล้วก็พยายามตีความพยายามหาความหมายที่มันลึกซึ้งกว่ากับความหมายภายนอกความหมายที่มันตื้นๆหัวใจสะอาดกับหัวใจที่ไม่สะอาดสะอาดเพราะอะไร แล้วมันโศครูกหรือโศกประบอกหรือไม่สะอาดนีเพราะอะไรและการที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตายล่ะจะมีความประสงค์ที่จะชำระหัวใจของคนหนึ่งให้เป็นหัวใจที่สะอาดกับหัวใจอีกคนหนึ่งที่อัลลอฮฺมิประสงค์แลมิยุริดิลลัห์ัวอายุตอฮรอมิประสงค์ที่จะให้หัวใจของเขาเนี่ยสะอาด แสดงว่าอัลลอประสงค์ที่จะให้หัวใจคนนี้สะอาดประสงค์ให้หัวใจคนนี้ไม่สะอาดแล้วเราล่ะแล้วเรามีบทบาทในการที่จะให้หัวใจเราสะอาดหรือไม่สะอาดไหมอันแรกอะ <c oughs> เรื่องแรกเลยเรื่องกอและกอดป์กฏสัพพาวะเราต้องเชื่อนะทุกสิ่งทุกอย่างนี่อยู่ที่อัลลอฮ์ เราประสงค์อะไรอเลาจัดการยังไงนี่เรื่องของเราการเตรียมรับจัดการให้คนหนึ่งในรับพิดายะหัวใจเขาสะอาดการเตรียมรับให้หัวใจของของคนหนึ่งคนดใดเนี่ยถูกประทับตาถูกปิดถูกล็อกไปเนี่ยอยู่ที่พระประสงค์ของเรานี่โดยรวมนะเราต้องเชื่อแบบนี้ทําไมอ่ะเพราะถ้าไม่เชื่อแบบนี้เนี่ยแสดงว่าผู้ที่เราเชื่อนี่ไม่ใช่พระเจ้าแล้วมันต้องตีความอย่างนี้ พระเจ้าคือต้องมีอํานาจเบ็ดเสร็จทุกอย่างเราต้งเชื่อแบบนี้เขาจะไม่ใช่แบบนี้นี่แสดงว่าพระเจ้าขึ้นอยู่กับมนุษย์มนุษย์เจ้ายังไงนี่ก็แล้วแต่ไม่ใช่อัลลอฮ์มีอำนาจเบ็ดเสร็จแต่อัลละฮ์จะไม่ใช่อํานาจนี่โดยไม่ชอบทำใครอยากจะได้ทางนําไม่ให้ทําไมไม่ชอบเป็นคนดํา ไม่มีนะอัลลอฮ์แบบนี้ม่มีคนนี่อยากรับทางนำอัลลอฮ์ไม่ให้ทาไมอ่ะเป็นเชื้อชาติอื่นที่ไม่ใช่บอิสราเอลไม่มีไม่มีมมอัลล์ยุติธรรมในการที่จะให้ทางนำ น, นีนนน่อย่างแน่นอนยุติธรรมในการที่จะปกป้องรักษาหัวใจของมนุษย์ทุกคนแต่อัลลอ์ต้องการทดสอบหัวใจของทุกคนเนี่ย ให้เพราะนี้คือข้อแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสปปรรพสิ่งอื่นๆที่มีชีวิตด้วหัวใจเราต้องการให้เราเนี่ยได้เคลื่อนไหวในชีวิตของเราเนี่ยด้วยหัวใจด้วยความตั้งใจด้วยเนียด้วยเจตนาด้วยความประสงค์ถึงเรื่องเนียดในอิสลามเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่อินเนมัลอามาลุบินเนียดอาลมาลทุกประการนี่ขึ้นอยู่กับเนียดเราอยากรู้ว่าที่มัลลามาดี่ปทำไมัยที่มาฟัง ทัซีนีเพราะอะไรที่ไปบริจาคนี่ทำไมอยากให้เราเนี่ยได้เริ่มการกระทำทุกอย่างด้วยหัวใจมันก็จะมีจุดหนึ่งที่เห็นนะครับว่าความสกปรกหรือไม่สกปรกเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ความชั่วที่เราได้ทำอย่างเดียว มันอาจจะอยู่กับความประสงค์เพียงช่วงแรกของการเคลื่อนไหวของเรายังไม่ทันจะทำอะไรนะีแค่ประสงค์นี่ก็สกกระปกแล้วโศโคกแล้วยังไงก็ยังยิ้วนี่คือลงโทษไม่ลงโทษนี่ยังไม่ได้อะไรอ่นะแค่กำลังเล่นเกมอะ่ะไม่มีความตั้งใจไม่มีความมุ่งมั่นกับหลักการอัลลอฮ์ตกลงจะเอายังไง ใจตั้งแต่แรกเนี่ยไม่เอาแล้วยังไม่ได้อะไรเลยนะฉะนั้นวิรมาก็บอกว่าคนที่มีหัวใจแบบนี้นะเช่นอยู่ที่บ้านดูบอบอโลกแล้วกันมันใกล้ลวดูบอบอโลกอาซานละอาซาน ในใจกูไม่ละหมาดนะกูไม่ละหมาดหรอกมันไม่ต้องรอนะครับให้เวลาผ่านพ้นไปจนถึงเวลาอีกเวลาหนึ่งมันจะได้พิสูจน์ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ละหมาดวักตูนั้นๆแค่พูดเนี่ยแค่หัวใจบอกวกูไม่ละหมาดแล้วตอนนี้บอโลกนี้มันมันมันลังคิดอยู่กูไม่ละหมาดแน่ มาหัวใจนี่สุกโกปกไปแล้วด้วยอะไรอ่ะด้วยความประสงค์มันไม่น่าเชื่อเลยแล้วสุกโกปกด้วยอะไรอ่ะซีนาเหรอบางคนในที่ทําซินาหัวใจเขาอาจจะไม่สุกโกปกก็ได้เดี๋ยวจะมีหลักฐานให้เห็นแต่อีกตัวอย่างหนึง่งถือสินอดถือสินอด แล้วงดงดอาหารนี่จนถึงก่อนมกริบถึงก่อนมกริบหนาทีไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอะบุรีไม่ไหวแลว้อยู่ไหนบุรีอยู่ไหนคือจะเจอบุรีแล้วอะนะจับซูเลยจุดเลยอยู่ไหนพระเออาไม่มีบุรี ก็ยไม่ได้สูบบุรี่แต่การตั้งใจสูบบุรีนั้นนะ่ะอัลละม่าเขาบอกว่าถือว่าเสียบวตแล้วนีย่าอย่าทำเป็นเล่นนะฮะดิษนบีพูดจริงนะไม่ได้คูนะอินนะมัลอามาลูบินนีอาม่ลขึ้นอยู่กับ น, นียตาดิษพูดจริงนะไม่ได้คูนะอาม่าขึ้นกับ น, นียตานีย่นยมีนะก็ตามนั้น เนียดใจแก้บวชเนียดแลเนียดจะทําเสียบวช ก, ก็เสียบวชถึงแม้ว่าไม่มีอะไรจะเสียไม่มีอะไรโอลิมาก็บอกว่าคนที่ถือสินอดถึงเวลาละสินอดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรละสินอดเนี่ยให้ทํำยังไงเนียเหมือนกันเหมือนกันแล้วมันต่างกันต่างกันสิครับบางคนนะ่ะอะเคร่งเหลือเกินนะต้องอิมพระลม มีพล้ำและน้ำไม่มีพล้ำและน้ำรอรออะไรอะเขาไม่มีพะล้ำรอความประเสริฐของการรีบเร่งในการละสิณอดดีกว่าละสิณอดมีพะล้ำและน้ำฉะนั้นไม่มีอาหารอะไรเลยอ่ะนะเนียดละสิณอดเพื่อได้ผ ล, ลบุญความประเสริฐในการรีบละสิณอดเนียดมีคุณค่านะครับ มีความหมายมหาศาลความสโสโครกที่เราจะต้องชำระให้หัวใจสะอาดนี่ไม่อาจเกิดเพราะทำความชั่วเช่นคนกินเห ล, ลา้ทาทำสีนาแต่หัวใจของเขาเนี่ยเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์กว่าเราสุภาณวัวตายแล้ท่าน น, บบ น, บ น, บ น, บนะบิสซอลอสเลมได้กล่าวในี่ยฮะเลือดมนุษย์ดีบัมมุฮอริเลมุสลิมอินนัลรัจุลา แท้จริงคนคนหนึ่งและอาเมลบิฮามาเรียอลลลเจนน์เขาจะกระทําความดีของชาวสวรรค์นี่แหละฟิมายาเบดูลินน์ตามที่คนโคตรมองเห็นนะนะฮอนี่ถือศีลดำมุงละหมาดนี่พฤติกรรมของชาวสวรรค์จนกระทัง่งไม่มีความห่างระหว่างเขากับสวรรค์นี่นอกจากศอกนี้ สอบดิอายแล้วเข้าสวรอับสบุก عليه الكتاب ฟะย์งานุบะงานุอัลฮ์นาร์ฟะย์เด็คุล่าสิ่งที่ Allah กหนดแล้วนี่มันก็จะเกิดขึ้นเขาก็จะทําพฤติกรรมของชาวนรกก่อนเสียชีวิตและจะเสียชีวิตในท่านั้นก็จะเข้านรกอามาลของเขาทั้งหมดนี่บ่งว่าคนนี้หัวใจบริสุทธิ์ แต่ชะไหนเลยพฤติกรรมอันเดียวก่อนตายทำให้ผลงานของเขาที่เรามองเห็นว่ามันบริสุทธิ์ที่มันชำระหัวใจมีอาจช่วยได้ถ้าตายแล้วนะก็จะเข้านรกเพราะพฤติกรรมสุดท้ายไปชีวิตตรงกันข้ามนาบีบอกว่าอิ ل, น, นนัลรจุลละเล่ามาลูามอลินารีอีคนหนึ่งพฤติกรรมชาวนรก เพราะฉะนั้นปรากฏตัวที ad, ү ү ү ү ่ไหนไอ้ชาวรูไอ yes, ้ชาวรกมีแต่คนวิจารณ์เานี謝謝่ไอ้ชาวนรกผิดนะผิดพูดแบบนี้ผิดแต่คนเขามองอโอ้ยคนนี้อ่นูอย่างนี้คนนี้จะมีสิทธิ์เข้าสวรรค์สบิกัวไลฮิลกิตาบสิ่งที่ Allah กำหนดแล้วเนี่ยย่อมมีทิพนพยายามไَ أهل จันทร์ที่พยายาขึ้นเาจะทา การกระทาของชาวสวรรค์ตายแล้วเข้าสวรรค์คำถามก็คือแล้วอาวเดียวหรือไม่กี่อันก่อนตายเนี่ยมันจะมีอิทธิพลชฉไหนที่จะชำระความชั่วของชาวโรกที่ทาตลอดชีวิตผงสักฟอกที่ไหนนีน่ที่เอาเสื้อที่เปื้อน ใช้มาตลอดชีวิตเนี่ยหกสิบปีนะ่ไม่ได้ซักเสื้อผ้ามีไม่ผงซักฟอกที่สามารถใส่เครื่องซักแล้วก็ห้านาทีนี่มีมาผงซักฟอกแบบนี้ไม่มีคนนั้นนะ่ะที่ฆ่ากี่คนนะ่ะร้อยคนนะมีอะไรอนะผลงานมีอะไรอนะเนี่ยเต็มเดียวไม่น่าเชื่อนะ เจตนาอย่างเดียวสามรามรถชำระให้หัวใจสะอาดอัลลักเจตนาอย่างเดียวยังไม่ทันทำอะไรนะยังไม่ทันอะไรนะมีคนหนึ่งสหาบบาคนหนึ่งชื่อไซด์เป็นอัศวินกาหารเป็นคนทำความดีที่มีชื่อเสียงในตำบลยะมามะมารับอิสลามกับท่านนบีชื่อไซด์อัลขา ย, ยล ไซด์นี่ชื่ออลคยนีใช้ยามาใคแปลว่ามาแปลว่าคนที่คนที่มีช้ยาในประเทศเนี่ยเป็นคนร่ํารวยอะเหมือนพี่น้องคนหนึ่งคนนี้คนมีมีฐานะหน่อยเขาเขานั่งรถเบนและทุกปีเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อบังเหมสมมุตินะครับแต่ไม่รู้จะให้ใชย้ยาอะไบังเหมเบนเบน <c oughs> เจอกัะเบนเบนเปลี่ยน น e um exactly ี่ ز ي ุลล่นเบีเห็น pues ีมึงยซาร์ขัยลอะไรอยามานบีรู้ว่าคนนี้ใจบุญทำบุญเยอะนีเปลี่ยนฉายาเลยยังไงว่า زيد ุลขยใกลเียงกัอัลขัยลแห่งความดีคนเนี้ยมารับอิสลามเดินทางมาจากกียามันเป็นพันกิโลนะครับพอถึงมัสยิดนบีเนี่ยแรกเลยเข้าไปหานบี ตกลงอิสลามเป็นยังไงนะี่อาฉัดวะลลาอิลาฮิลลอฮฺอัลลอฮ์มุฮัมมัดสุลตุลลอฮฺแล้วไม่รอนบีครับตำบลของฉันเนี่ยรอฉันนะเนี่ยกำลังรอผมถ้าผมกลับเดนี้เลยเนี่ยเขาจะรับอิสลามไม่ต้องเสียเวลาขึ้นมามาสะดุดหกล้มคอหักตายนบีบอกว่าทำเลลีน ว่าอจิโรกัสีรทำน้อยแต่ได้บุญเยอะทําอะไรอันที่จริงนี่นะยังไม่ทันละบาทยังไม่ทันติสิณอดยังไม่ทันทจิฮักการนวียังไม่ได้ทันทำอะไรเลยแต่อะไรอ่าน้อยเนี่ยอะไรตั้งใจเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยถึงบอกว่าพี่น้องกลับไปพยายามให้ชําระหัวใจให้สะอาดยังไงนี่ย ตั้งตั้งใจให้ดีกับเราให้รู้สึกว่าเรามองหัวใจของเรามองพฤติกรรมของเราพวกเราแต่ละคนนี่ก็ ร, รู้ทําความผิดทำความชัว่วทุกคนรู้ตัวแต่ในขณะเดียวกันนี่เราต้องรู้ว่าให้เรามีคําตอบไหมเราทําความผิดนี่เราตั้งใจทําความผิดเราทําความดีนี่ยเราตั้งตั้งใจทําความดีเร า, เรา เลื่อมใสกับอัลลอฮ์ไหมเลื่อมใสกับความดีไหมเลื่อมใสกับความช่วยหรือเปล่าได้คําตอบตรงนี้ในหัวใจเนี่ยมันจะถูกสักฟอกเองถูกชําระเองจะสะอาดเรื่อยๆสะอาดเรื่อยๆความตั้งใจนี่มีอิทธิพลเพียงพอนะครับที่จะล้างหัวใจของเราเรื่อยๆมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราตั้งใจนะตั้งใจให้ดีต ก, กลงเรายังไง เอายางไงเอายางไงมันจะเครียดหลายเรื่องอัลล์บอกว่าอุลัยกะลลีนลัมยูริดีลล์ ي, ي, ي, ي, oka, ي ط ه ي ر ة قلوبهم ل an ه ي الدنيا خزي و لهم في الآخرة عذاب عظيم ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่อัลลอฮ์ไม่ทรงประสงค์จะให้หัวใจของพวกเขาสะอาดโดยที่พวกเขาจะได้รับความอภัยในโลกนี้และจะได้รับการลงโทษ อันอันมหันฯในปรโลกอพยุดในโลกนี้ลาซาบในโลกหน้าในปรโลกนี่เป็นอะไรกว่าเป็นอายะที่อัลลอฮฺพูดซ้าพูดบ่อยในกุรอานเรื่องการลงโทษในโลกนี้และในโลกหน้าซึ่งมันมีนยัยยะอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจ บางคนเนี่ยหัวใจเขาเนี่ตั้งใจไม่ตั้งใจอะไรดีกับ Allah เลยหัวใจเขาเนี่กับ Allah ไม่ดีเลยแต่เขาบอกว่าแต่ไม่เห็นอัพยศไม่เห็นเขาอัพยศเลยเห็นเขาดังเอาดังนะคนเขาชอบเอาชอบเอาไม่เห็นมันอัพยศ อยู่ที่เรามองและจะนิยามอปรยยศเนี่งยงอภยยศเนี่ยในสายตาของผู้คนเลยในสายตาของผู้คนเนี่ยเขาจะไม่อปยัยยศเพราะเขามีฐานะเขามีชื่อเสียงเขามีอำนาจมีบารมีแต่ในสายตาของลอในโลกนี้เนี่ยหายโอกาสในการที่จะชำระหัวใจให้สะอาดอันเป็นอปยัยยศในสายตาของอัลลอฮ์ในโลกนี้ เพราะโลกนี้เนี่ยคือโอกาสที่จะแก้โลกหน้าโลกหน้าจะเป็นยังไงในโลกนี้เนี่ยทำสิแต่โลกหน้านมนันจะดีโอกาสหลุดไปนี่ น, นี่อัปยศ อ, อัปยศเหมือนเน่ <c oughs> เหมือนอะไรเหมือนคนที่มีโอกาสได้ทำอะไรดีๆได้กะไรเยอะๆได้ทาอะไรที่เป็นเป็นเรื่องดีะนะแต่ยอมสละโอกาส ทะลาโอกาสนะเรามองว่าคนที่หาคู่ครองหาคู่ครองเขาเจ ต, ตนาเขายังไงอ่ะ <c oughs> <c oughs> เจ ต, ตนาเขาต้องการคู่ครองที่มีศาสนาที่สร้างคุณงามความดี <c oughs> คุณงามความดีกับตัวเองและตระกูลลูกหลานนี่เจตนาสาคัญวางแผนเนี่ยให้ลูกหลานเหลนเพราะนบีอิบราฮิมพอไปมักกาแล้วก็เอาฮาจัดกับอิสมาอินไปวางที่นู่นนบีอิบราฮิมขอรัวยังไงรบบีจีนูบนีวบานีอันนับบุญเลอัสนา อัลลอฮ์ได้โปรดให้ฉันและลูกหลานของฉันห่างไกลจากห่างไกลจากอะไรอะจวิตอิบราฮิมนบีอิบราฮมขอดูอานีที่ไหนอะที่มักกะซึ่งตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยอิบราฮิมกลัวอะไรกลัวอะไรที่จะเกิดขึ้น อุ้นบีบรอฮิมวางแผนยันถึงท่านนบีมุฮัมมัดคนหนึงในดูอานี่ที่ท่านนบีอิบรอฮิมขอนี่หลังจากที่ขอให้ให้แผ่นดินนี้มีริสกีมีคนมาบูรณะแผ่นดินนี้แล้วก็ขอดูอันนี้ว่าชนุบนี่าป็นี้และอีกสุรานึงว่าบอกว่าว่า بعث فيه มิ س و ل م ขอให้มี ر س ูลมาในหมู่พวกเขานี่คือมุฮัมมัดเนี่ย วางแผนกี่พันปี น, ะ น, ะนะ่ยนบีอิบราฮีมเเกือบเจ0ดพปีเกือบเจ0 0พันปีนบีอิบราฮีมอยากให้ลูกหลานนี่นะไม่ยุ่งกับจวิตเราตั้งใจหาคู่ครองที่จะปกป้องรักษาเกียรติยศแห่งความศรัทธาให้อยู่ในลูกในหลาน Allah ก็ให้มาคู่ครองศาสนาอย่างดีความรู้อย่างดีมารยาทอย่างดีแต่ขาดคุณสมบัติไม่สวยไม่หลอ่อและมีอีกคนหนึ่งคูค้ครองโอ้ทั้งสวยทั้งฐานะทั้งอะไรแต่ไอเรื่องอื่นนะนะศาสนาอนีไม่มีดูสิ ไอ้คนนี้ี่ตั้งใจอะไรอ่ะก็ตั้งใจอยากได้ของนี่แหละของชั่วคราวนี่แหละเขาก็คว้าคว้าคนสวยคนรวยชื่อเสียงดังตระกูลดังคว้าคนนี้ <c oughs> สังคมก็จะบอกว่าโชคดีแต่ผู้ศรัทธาบอกว่าอภัยยศซิ้มดีอภัยยศซิมดี ของแบบนี้นี่ะต้นทุนที่จะใช้นี่พี่น้องเราแต่งงานกับคู่ครองนี่นะบางทีคู่ครองจะเป็นสาเหตุให้เราเข้าสวรรค์นนะ่ะทำไมอ่ะอามาัลของเรานี่ไม่พอนี่ต้องต้องไปจอดนรกหน่อยแต่คู่ครองของเราสามีภรรยาเรานี่อามาัลเขาดีนี่เขาขึ้นสวรรค์แล้วเขาจะชะ้าให้เราุ เมียไม่สบายสามีจะสบายใครอ่ะผัวจะไม่สบายเมียนี่จะสบายใครอ่ะอัลลอฮฺเมียผมเมียบอกว่านี่สามีสามีหนูนี่ขอเข้าด้วยกันเข้าด้วยกันพอเจอแล้วนี่ของดีก็ไม่เอาเอาของแบบนี้อพยพสิดีความอพยพนี้ พี่นังก็ยหยิบยืมมุมมองของชาวโลกกับชาวดุนยานี่มาตีความน่มาให้คะแนนนะครับเห็นบางคนหลายหลายกรณีอ่นคนชั่วในสังคมชั่วแหละแต่ชั่วก็ชั่ ว, ช, วชัดๆเลยนมีคนไม่เห็นล้อลงโทษจัดการกลยคนนี้ไม่เห็นน่ะ แค่ไม่ละหมาดนี่นี่ก็เอาล้ลงโทษแล้วนะแค่ที่เขาสูบบุรีกินเหลานี่ก็ถือว่าลงโทษแล้วนะหรือว่าอััยโทนี่เราต้องเห็นเขาจนต้องเห็นเขาถูกรถชนต้องเห็นเขาเป็นมะเร็งถึงจะสะใจเออมันอััยโทมันเนี่ยมันต้องสะใจแบบนี้ไม่ำเป็นและมีด้วยนะคับคนที่โดนแบบนี้เนะี่ยเป็นมะเร็งเ ป, นนเป็นนู่นเป็นนี่ บบนี่อาบนอภยศเป่าเลยดาราญาก น, นี่เป็นขั้นบันไดสูงอัลลอมะเรงอิพอโดน น, โดนู่นอกีกโดนนั่นอีกโแย่มากเลยคนนี้อภยศสิ้นดีไม่ใช่ย่มองอัลลอนี่เป็นคนขึ้นสูงแล้วอัยะนี้มันเกี่ยวอะไรกับปัจจุบันเก <c oughs> ี่ยวกับความตั้งใจในการที่จะสนอง สนองพระบัญชาอัลลอฮฺซุหานาุลาหสนองพระบัญชาวความตั้งใจที่จะน้อมรับคำสังส่งอัลลอฮฺซุหานาุลาหแค่นี้นะครับีเป็นเรื่องใหญ่ทำไมนบีบทำบทลงโทษคนเาไม่กลาวิจารณ์เพราะเกิดประโยชน์ตอลิบัต ตาลิบันนีตั้งแต่ปกครองนะทำหมดลงทุนมาโดยตลอดแต่ไม่เคยทาพีอารเลยนี่ไม่เคยทาพีอารมีใครกล้าไปว่าอะไรเขาไหมประสบความสำเร็จปราบปรามยาสเสพติดบอว่าอัฟกานิสถานเนี่ยปลูกฟินขายฟินเนี่ยถกสิบเจ็ดสิบปีเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกในการปลูกฟิน ไม่เคยประสบความสำเร็จในการปราบปรามเรื่องนี้ช่วงตอริบันสามปีจบเรื่องคมขืนเรื่องป้นเรื่องอะไรเนี่ยสามปีจบมันให้เห็นไงก็ไม่มีใครกล้าวิพากษ์วิจารณ์แล้วทุกคนที่เคยอยู่ภายใต้การดูแลของตอริบันเนี่ยเขาก็เห็นข้อข้อแตกต่างชัดเจนพอตอริบันไปแล้วนี่ มาปนกันอีกแล้วคงมขืนอีกแล้วปลูกฟินอีกแล้วเป็นแรงยาเสพติดอีกแล้วให้เห็นผลงานของการปฏิบัติตามหลักการศาสนาเนี่ยพี่น้องเราต้องพยายามอย่าเอามาอย่าเอามาเป็นอย่าเอามาเป็นเรื่องเรื่องที่แสวงหาความพอใจของผู้คน ให้เรื่องนี้เนี่ยเราตั้งมั่นนะครับถ้ากับอัลลอฮฺสุภาโนตาละทาวนั้นจึงจะประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างที่เราทําในบางทีเ่เราไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดพูดถ้ามีความจําเป็นถ้ามีใครมาอ้างมาเถียงบอกว่าไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้แต่ที่เอาไปพูดไปทำพอาร์ไปอะไรนี่ไปแสวงหาไปประกาศให้คนใครที่ไม่ทราบนี่ก็ให้ทราบให้รู้ซะมันเป็นอย่างงี้นะไม่จําเป็น ไม่ใช่ไม่จะไม่บังควรอย่างยิ่งมันก็เกี่ยวกับเรื่องที่เราประสงค์ไม่ประสงค์ที่จะให้หัวใจเขาสะอาดน ะ, อ, ะอยู่ที่ว่าเราตั้งใจทำเพื่ออะไรเพื่อพีอารึเปล่ า, าบางอย่างนี่บางทีเนี่ยมันเสียวจริงๆนะผมบางทีเลือกหมวกใส่หมวกใส่มันมันแยกค่อนข้างยากนะ ใส่หมวกใส่เสื้อใส่ต๊ะอะไรเนี่ย PR อะไรอะไรหรือเปล่าคุณต้องการอะไรหรือเปล่าบางทีต้องใช้เวลาในการปรับปรับหัวใจฝากไว้กับพวกเราปรับหัวใจในเรื่องแต่งกายในเรื่องปฏิบัติตามสุนนรคตของท่านอนับดุลิสลัยอย่าดูถูกคนอื่นและอย่าภูมิใจมากนักในการกระทาที่เราได้ทาทำความดีแล้วก็รู้สึกถ่อมตน รู้สึกเสียงอัลลอฮ์ะจะรับหรือไม่รับคนอื่นนี่ทำความชั่วค ง, คงจะรับทางนำจากอัลลอฮ์แล้วอาจจะดีกว่าเราดูซ้ำไปพยายามนะพยายาม